อย่างไรก็ดีแม้จิตของท่านทั้งสองจะมีความสงบเยือกเย็นเบิกบานในธรรมอย่างไรแต่ทานขันก็ย่อมต้องการการพักผ่อนบ้างทันละว่าการเดินด่ิดตงครั้งนั้นผ่านเข้าไปในป่าลึกบนหลังเทือกเขาภูพานเป็ น, นวันวัดแล้วยังไม่ได้พบหมู่บ้านคนเลยอาหารก็ไม่ได้ฉันแต่นั่นยังพอทันเนาสิ่งที่ทานขันต้องการอย่างยิ่งนั้นคือน้า น้ำในกระติกของนุ่งปูขาวและท่านหมดไปตั้งแต่ตอนกลางคืนท่านเดินมาคิดว่าจะพอพบบ่อน้ำลำธารให้ได้ดื่มกินก็ไม่มีหรือแม้แต่แอ่งน้ำในรอยเท้าเสือรอยเท้าช้างที่พระธุดงเคยได้อาศัยค่อยๆตักกรองก็ไม่ได้พบผ่านเลยทั้งสององค์ทั้งเหนื่อยทั้งหิวกระหายอากาศก็เพิ่มความร้อนขึ้น จากเช้าเป็นสายเป็นบ่ายก็ยังไม่ได้พบน้ำร่างกายขาดอาหารได้เป็นวันวันแต่ขาดน้าในยามหน้าแลงในป่าบนยอดเขานั้นเป็นภาวะที่ทาดขันของท่านจะต้องอุทธรต่อเจ้าของมากแต่ท่านก็ตามมีความอดทนไม่ได้ปิดปากบนสุดท้ายก็ชวนกันนั่งพักใต้ร่มไม้ดูเหมือนจะไม่ต้องอธิบายว่าเมื่อท่านต่างนั่งพัก ท่านจะต่างทำเช่นไรแน่ที่สุดท่านก็ต้องนั่งภาวนาอันเป็นปกติยุสสยที่ท่านมักจะภาวนาทั้งริยาบทสี่นั่งยืนเิินนอนไม่ว่าจะอยู่ในิริยาบทใดก็ตามท่านนั่งพัดท่านก็เลยภาวนาไปด้วยพัดเล่าว่านั่งได้ไม่นานก็ดินเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบกลกมาเสียงนั้น ดังใกล้ก็ามาดังมากจนท่านต้องเลืมนตาดูเห็นน้ำไหลมาจากโคกข้างหน้าเป็นทางน้ำกว้างประมาณศอกหนึ่งไหลผ่านใบไม้ที่ร่วงทับถมกันอยู่ในราวป่าเป็นใบไม้สีเหลืองบ้างแดงบ้างน้ำ่านบ้างผมซับซ้อนกันด้วยเป็นเวลา ด, ดูใบไม้ร่วงเสียงดังที่ดังจนรบกวนสมาธิให้ท่านทั้งสองเลือมอตาเพดูนั้น ก็เป็นเสียงน้าที่ไหลผ่านใบไม้กรอบแห้งเหล่านั้นนั่นเองท่านได้แหวกใบไม้ออกเห็นน้ำใสสะอาดไหลเอ่อยมาเหมือนเป็นฐานน้าเล็กๆได้กรองใจกระติกล้างหน้าล้างตาได้อาบได้ดื่มได้กินจนอิ่มเสร็จเรียบร้อยสายน้ำนั้นก็แห้งลงเฉยๆ เ, เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ ย, ยิ่งนักเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำผุดขึ้น จากกลางโคกไหลมาเพียงให้ท่านได้ดื่มกินอาบน้ำล à, ้างหน้าล้างตาไม่คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อละกรองใส่กระติกน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แห้งลงในดินจ่ายทันทีเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างน้อยบุคคลหนึ่งในที่นั้นก็คิดชะนีดังนั้นหลวงปู่ขาวจึงได้ซักสหายของท่านท่านชอบหรืสิท่านชอบอธิษฐานอย่างไร หลวงปู่ปฏิเสธผมไม่ได้อธิษฐานอะไรผมเพียงแต่คิดเท่านั้นว่าเทวดาฟ้าดินจะไม่สงสารพระบ้างเลยหรือเทวดาจะปล่อยให้พระกดนามตายหรือท่านว่าท่านก็คิดเพียงแค่นั้นเองเรื่องนี้แท้หลายขึ้นมาก็นึ่งด้วยหลูกปู่ขาวนำมาเล่าให้จิตลูกหาฟังอยู่เสมอผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟัง กัดเส่นกระสายปรลาเหตุด้วยฝั่งครั้งแรกว่าท่านไปกันกมูพวกกลุ่มใหญ่แต่ภายหลังเมื่อจับบันทึกทำประวัติของท่านนี้ได้โอกาสกล่าบเปลี่ยนสามนุปูยืนยันว่าท่านไปกับนุปูขาวเพียงสององค์เท่านั้นและระยะนั้นท่านอายุเพียง27ปีตอนที่ย7สิเจ็มานอบน้อยผู้มานิมนต์ข้ามโค้งครั้งหนึ่ง สมัยท่านออกปฏิบัติใหม่ๆท่านเดินรุกขโมลไปอยู่แถวท่าลี่จังหวัดเลยท่านรำเพงตึกในใจว่าเราได้มาจนถึงที่นี่ใกล้ฝั่งดินแดนประเทศลาวเต็มทีแล้วถ้าหากจะข้ามน้ำโขงไปเที่ยวฝั่งลาวไม่ทราบว่าจะมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใดหรือไม่ตามปกติพระกรรมฐานเมื่อท่านจะทาอะไรท่านมักจะต้องเข้าที่พิจรารณา ความเป็นไปได้ก่อนเสมอครั้งนี้ท่านยังไม่ได้ทันพิจารณาอะไรด้วยความคิดที่จะข้ามไปฝั่งเรายังไม่ทันแน่นแฟนเท่าไรเพียงจะคิดผ่านไปเท่านั้นอย่างไรก็ดีคืนนั้นเองระหว่างภาวนาก็เกิดในมิตเห็นมานบหนุ่มน้อยผู้หนึ่งมากราบท่านด้วยเบญจังครับประดิษฐ์กล่าวว่าทราบว่าพระกุณเจ้าปรารถนาจะไปวิเวกที่ฝั่งรา ปวงขะน้อยรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งจึงใคร่ขอมานิมนต์พระกุณเจ้าไปโปรดบรรดาพวกเราสัตว์ผู้มีวาสนาน้อยทางดินแดนฝั่งโน้นด้วยเถิดในนิมิตนั้นท่านรับนิมนต์เขาด้วยอาการดิษนีภาพรุ่งเชา้าฉันจังหันเสร็จได้ร้อยแล้วหลวงปู่ก็แต่งบริการทั้งปวงไปที่ฝั่งน้ำเฮียงซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงเห็นมีเรือลาหนึ่ง วาดเข้ามาจากกลางลำน้ำมาจอดอยู่ที่ท่าคนเรือก็ตะโกนขึ้นมานิมนต์พระคุณเจ้าให้ขึ้นเรือท่านถามว่าเรือจะไปที่ใดท่านจะไปฝั่งลาวเขาก็บอกว่ายินดีจะไปส่งให้ท่านท่านจึงลงเรือนั้นไปคนเรือมีสีหน้ายิ้แย้มละไมและมีกริยานอบน้อมต่อท่านอย่างผิดสังเกตเมื่อเรือออกจากปากน้าเฮียงก็ข้ามไปน้ำโขง มุ่งตรงไปฝั่งเราแล้วก็จอดเทียบท่านิมนต์ให้ท่านขึ้นฟังหลวงปู่ประคองบาทรและบริขารขึ้นฝังเรียบร้อยแล้วก็เหลียวมาเพื่อจะขอบใจและให้พรที่คนเรือนั้นได้กรุณานำพระข้ามเรือมาแต่ท่านก็ต้องประหลาดใจด้วยปรากฏว่ามองไปไม่ได้มองเห็นเรือลำนั้นเลยและความจริงแม้แต่เรือลาใด ไม่ว่าจะเล็กใหญ่ประการใดก็ไม่ปรากฏในสายตาของท่านทั้งลำน้าโขงมีจระเข้ขนาดมหฮือมาตัวหนึ่งลอยฟ้องอยู่กลางลำน้ำแต่เพียงตัวเดียวหลวงปู่กําหนดจิตพิจารณาจึงทราบว่านั่นคือพญานาคเขามานิมนต์ท่านในนิมิตและแปลงกายเป็นเรือและคนเรือมารับเมื่อส่งท่านแล้วเขาก็แปลงเพศเป็นจระเข้ ให้ท่านได้เห็นเป็นอัศจรรย์ท่านจึงแผ่เมตตาให้จระเข้นั้นลอยตัวนิ่งอยู่ราวกับสงบกิริยารอรับพรและคอยทรงท่านท่านเดินขึ้นฝั่งไปไกลแล้วก็ยังเห็นจระเข้นั้นมองตามอยู่อย่างอาลัยจึงนึกบอกในจิตว่าเอาละเราขอบใจเธอมากที่ช่วยเป็นทุระให้เราข้ามน้ำมาครั้งนี้เราขออนุโมทนาด้วยเรา เดินทางต่อไปได้แล้วไม่ต้องห่วงใหญ่อะไรหรอกบอกลากครั้งหลังนี้สระเข่นั้นจึงได้พงกหัวลาและจมลงไปในท้องน้ำหลวงปู่ดูจะมีข้อเกี่ยวข้องกับพวกพญานาคเป็นพิเศษท่านไปที่ใดก็มักจะมีพญานาคมาอารักขาให้ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติตอนที่28บุรุษผู้มาใส่บาตรที่วัด้วน้าริน ครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สังเกตเห็นว่าในบรรดาทายกธดีกาที่มาฟังเทศหรือใส่บาตรถวายจังหานทุวันนั้นมีชายคนหนึ่งดูแปลกกว่าคนอื่นคือจึงจุนุ่งหมแต่งกายอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ดูภูมิฐานและสำรวมกว่าคนทั่วไปมีดอกไม้กับอาหารหวานข่าว มาใส่บาตรทุกวันสําหรับอาหารทุกชนิดที่เขานํามาถวายนั้นแม้จะมองดูเป็นอาหารพื้นเมืองทั่วไปมีปลามีผักน้ํำพริกหรือแกงตามปกติแต่สังเกตว่าระยะนี้อาหารที่ท่านกบฉาย น, นั้นมีรสชาติพิเศษอย่างไรก็ดีท่านก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่มีรสชาติพิเศษนั้นจะเป็นอาหารจากที่ชายผู้นั้นถวายหรือไม่ต่อเมื่อพระรับ ถวายอาจารย์อัดแล้วท่านก็จัดลงบาทรวมๆกันไปจะเป็นอาหารจากสำรับใดช่วยใดของโยมคนไหนก็ไม่ได้จดจำไว้ธรรมดาพระธุดองกรรมาฐานท่านจะมีโอภาปลาใสกับญาติโยมเป็นปกติครั้งนี้ท่านพูดคุยธรรมดาแล้วก็ถามถึงโยมคนที่ว่านี้เออเป็นใครอยู่บ้านไหนเป็นญาติของใคร ท่านมากราวก่อนก่อนไม่เคยเห็นชาวบ้านแถวนั้นซึ่งคุ้นเคยกันกับท่านเคยปรนิบัติพระสุดงมานางต่างก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่หมายถึงผู้ใดแต่ก็ไม่อาจจะตอบท่านได้ว่าเป็นใครมาแต่ไหนได้แต่พูดกันว่าเออจริงสินึกได้แล้วเห็นๆ เ, เ, เหมือนกันนึกว่าเป็นญาติกับคนนั้นคนนั้นก็นึกว่าเป็นญาติกับคนโน้น คนโน้นก็คิดว่ามากับคนนี้รวมความว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนเห็นเห็นอยู่แต่เวลากลับไม่ทราบว่ากลับไปที่บ้านไหนกับใครและเมื่อไหร่วันสุดท้ายหลวงปู่ป้าหน้าชายแปลกหน้านั้นนําดอกไม้และอาหารมาถวายจังหันเช่นเคยท่านถามเขาก็ตอบว่าบ้านโยมอยู่แถวนี้เองตอบยิ้มยิ้ม แล้วก็ถอยไปนั่งรอระหว่างท่านฉันอยาก ส, สงบเสงี่ยมปกติระหว่างพระป่าชันจังหันนี้ชาวบ้านก็มักจะนําอาหารที่ถวายแล้วและเหลือจากที่ระนําลงบาลแล้วมาตักแบ่งแจกกันรับประทานเป็นกลุ่มๆแต่ชายผู้นั้นไม่ได้มาร่วมวงรับประทานกับกลุ่มใครเขากงนั่งอยู่คนเดียวอย่างสำรวมอาการวันนั้นหลวงปู่ ก็ทําไม่รู้ไม่ชี้คอยสังเกตอาการของเขาอยู่เงี ย, งยบๆท่านฉันเสร็จให้พรเมื่อเห็นเขาเก็บของกลาบพาท่านรออยู่พร้อมให้หน่าเกลียดแล้วก็ลุกตามไปดูว่าเขาจะกลับไปทางใดปรากฏว่าพอรับลงจากศาลาเขาก็เดินหายลงไปในสระน้ําหน้าวัดชายคนนั้นนาคมนต์นั่นเองท่านเล่าว่า พญานาคนั้นมีฤทธิตมากเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งเขาสามารถในรรมิตกายได้ต่างๆกันท่านเคยถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาก็เรียนท่านว่าวิสัยพญานาคนั้นมีความเคารพผู้ทรงศีลผู้ทรงคุณธรรมมนุษย์ผู้เป็นกาลายนชนปรารถนาในการบรรเป็นทานศีลภาวนาเช่นไรพญานาค ก, ก็ปรารถนาในการบรเป็นทานศีล ภาวนาเช่นนั้นเหมือนกันในการก่อนพระพุทธเจ้าสมัยเสวยพระชาติเป็นหน้ามีนามว่าพระปุริทั์ก็ยังสู้บำเพ็ญบารมีมีรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนาจนตัวตายในการปัจจุบันกลิ่นศีลอันบริสุทธิ์ของพระคุณเจ้าหอมนักหอมทั้งใกล้หอมทั้งไกลหอมทั่วลมหอมไปไกลพวกเขา ก็ขอโอกาสมาทำบุญถวายทานแด่พระคุณเจ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบา ร, รมีของตนสืบไปท่านถามถึงการเนรมิตกายวราเคยเห็นพญานาคในรูปจำแลงต่างๆหลายครั้งหลายหนแล้วเขากราบเดยนว่าการเนรมิตกายของพญานาคนั้นง่ายดายมากจะให้เป็นอย่างไรก็ทำได้ทั้งนั้นเขาก็เลยเนรมิตกายถวายท่านดู โดยเตือว่านี่เป็นภาพนิมิตทางนั้นเขาหายตัวไปจากที่นั่นครู่เดียวก็กลายเป็นภาพมานพหนุ่มน้อยเข้ามาหาประเดี๋ยวก็เป็นชายชราเดินง ง, งกเงื่อนเข้ามาหาบัดเดี๋ยวก็หายไปแล้วกลับเป็นหญิงสาวสวยหายไปอีกครู่หนึ่งปรากฏว่ากลับมาเป็นเสือใหญ่หน่าเกรงขามกําลังเยื้องย่างเข้ามาจากร่างเสือกลายเป็น การขมังธนูหรืออาวุธเข้ามาพญานาคเรียนท่านว่าการเนรมิตกายนั้นไม่ยากเย็นอะไรเพียงคิดก็เปลี่ยนไปได้ตามต้องการจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนแต่ละคนต่างแสดงอากัปกิริยาต่างกันก็ได้ถ้าเป็นสัตว์อาจเป็นตัวเดียวหรือหลายตัว ทั้งอาจเป็นต่างชิ้นกันก็ได้เช่นเห็นภาพเป็นช้างทั้งเสือพร้อมๆกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นนาคสองตัวหากเป็นนาคตัวเดียวจำแปลงกายเป็นจัดสองอย่างสองร่างกันเขาสามารถมีริมิตกายได้อย่างน่าพิศวงและรวดเร็วทันใจมากถ้าเล่าถึงการแปลงกายของพญานาคว่าเราได้ปะมาแล้วทุกอย่าง เป็นงูตัวน้อยภักขาวผู้หญิงเสือมนุษย์กระส์จารพัดท่านละว่าสําหรับรูปกายที่เป็นพญานาคจริงๆนั้นต่างก็เคยเห็นอยู่รูปร่างเหมือนที่เขาทําไว้ตามโบสถ์ตามวิหารนั่นเช่นเดียวกันมีงอนสามงอนบ้างห้างอนบ้างเจ็ดงอนบ้างครั้งหนึ่งท่านก็เห็นมาด้วยกันคู่สองผัวเมียทั้งพญานาต และ น, งนางนาคผู้เป็นภริยาแต่บางทีก็เข้ามาหาท่านในร่างของมนุษย์แต่งตัวด้วยเครื่องทรงอย่างกระสัมีข้าราชการบริพารเฝ้าแหนวอดล้อมมาดังขบวนเสด็จของพระราชาเคยเรียนถามท่านว่าพญานาคตัวจริงใหญ่ขนาดไหนท่านตอบว่าใหญ่มากขณะนั้นเรากำลังอยู่กันหน้าโรงครัวจึงเรียนถามว่า ใหญ่เท่าโรงครัวนี้ได้หรือไม่ท่านว่าใหญ่กว่าอีกพวกเราอีกคนเสริมว่าใหญ่เท่าสารา น, นี้ไหมท่านบอกยิ้มยิ้มว่าใหญ่มากกว่าก็ได้เล็กกว่าก็ได้แล้วแต่เขาจะแสดงให้เห็นลําตัวล่ะเจ้าคะยาวแค่ไหนยาวปานภูเขาตอนที่ 29, ยี่สิบเก้าพญานาคในแม่นำ้ำโขงครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบไปวิเวศที่ฝั่งลาว กับหมู่หลายองค์พร้อมทั้งได้มีโยมตามไปเที่ยวด้วยวันนั้นโยมทางฝั่งลาวได้ถวายจังหันคณะของท่านที่ริมฝั่งโขงนั่นเองหลังฉันเสร็จโยมช่วยกันเอาบาดไปล้างที่ฝั่งน้ำงํำโขงโดยเทเศษข้าวและอาหารที่เหลือในบาดลงในน้ำํำโขงเกิดอัศจรรย์ที่ในแม่น้ําที่ใสสะอาดนั้นกลับคุณหมดคุณหมดทั้งวังน้ํา หันตะไก่ทล่าวาวังน้ําหันตะไก่แปลว่าน้ําหมุนวนอย่างแรงนอกจากจะน้ําทั้งขูดข้นและทั้งหมุนเป็นวังวนอย่างแรงแล้วยังมีเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นพร้อมทั้งตะลิ่งพังอย่างรุนแรงดินเคลื่อนลงน้ําด้วยความรวดเร็วจนโยมที่ไปล้างบาตรแทบจะกระโดดหนีขึ้นตะลิ่งไปเกือบไม่ทันต่างคนต่างตัวสั่นเงนงกด้วยความตกใจ ไม่ทราบว่าเหตุใดผลกลใดธรรมชาติจึงเล่นบทพิสดารให้ดูเช่นนั้นจูๆ่ๆน้ำในแม่น้ำโขงที่ใสสะอาดไหลเอือยอย่างสงบ ก, ก็กลับกลายเป็นขุ่น้นตะลิงพังแผ่นดินถลม่มน้ำหมุนวนเป็นเกลียวหากหนีไม่ทันตกลงไปกลางน้ำบนจะเป็นอย่างไรหรือทุกคนแทบไม่อยากจะคิดต่างใจสัน่นขวัญแขวน รีบไปกราบหลวงปู่ขออาศัยบารมีท่านเป็นที่พึ่งเพราะเสียงน้ำเสียงตะลิงพังยังไม่สงบดีหลวงปู่พิจารณาแล้วก็อธิบายว่าเป็นเพราะพญานาคเขาโกรธว่าเทน้ำริกน้ำเกลือลงไปทุเขาท่านจึงตักเตือนหมู่คณะนีให้ประมาทสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นนั้นยังมีอีกมากโดยเฉพาะที่ไม่น้าโงนี้ท่านห้ามสิทธของท่าน มี่ให้เทเศษอาหารหรือสาดน้ำล้างถ้วยชามลงไปอีกเลยด้วยเกรงว่าจะเป็นการทำความกุณเกรืองให้แก่สิ่งลึกลับที่อยู่ในน้ำท่านแนะให้ใช้วิธีตักน้ำขึ้นมาล้างจานชามและเทลงบนตะลิงไม่ใช่สาดลงไปในน้ำอย่างไรก็ดีแนวแรกจะมีผู้เชื่อฟังท่านแต่ภายหลังได้มีพระรูปหนึ่งอย่างสงสัยไม่ยอมเชื่อ ได้เทเศษอาหารลงไปในน้ำและก็เกิดอาเพศน้ำหมุนวนตะหลงพังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระเดือรูปนั้นกระโจนหนีแทบจะไม่ทันจากนั้นมาได้บรรดาคณะสิทธิ์ผู้ติดตามหลวงปู่ก็บอกเล่าต่อๆกันมาและเชื่อฟังกันเป็นอันดีพญนาคในแม่น้ำคงนี้เมื่อขึ้นมาคาราวะท่านท่านบอกว่าตัวใหญ่โตมากระหว่างที่หัวมากราบคาราวะท่าน ที่ถ้ำแต่ส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งน้ำห่างกันเป็นกิโลเมตรอุปกรรมของเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลอุปถักพระเจ้าพระสงฆ์เป็นนดีแต่กรรมบังถือชนิดว่าเกินเป็นผู้อุปถากใกล้ชิดพระไม่สำรวมระวังเอามีดของพระไปใช้เป็นส่วนตัวจึงมาเกิดเป็นพญานาคเช่นนี้แม้จะเป็นผู้มีฤทธิ์แต่ก็ยังอาภาพัพอภวาสนาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเลยเทศนาะสั่งสอนพญานากนั้นให้ยึดบ้านในสินห้าและไต่สรณคมเรื่องกรรมเล็กกรรมน้อยนี้หลวงปู่จะเตือนสิทธิ์เสมอนม่ให้ประมาทโดยเฉพาะผู้ที่ปรนนิบัติพระเจ้าพระสงค์จะเป็นค า, ารวิก็ดีพิสุจน์ด้วยกันก็ดีพึงระมัดระวังให้จงดีโดยเฉพาะพระพิสุอย่าละเมิดธรรมวินัยได้แม้การใช้สอยบริขารของสงฆ์เช่นกันจะต้องเก็บงำรักษาเป็นอันดี ท่านยกว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางทรงตนิตตกเตือนพระอย่าเห็นเป็นบาปเล็กกําน้อยขึ้นชื่อว่าบาปกรรมนรชนไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยเรียบเหมือนภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจง้งเมื่อฝนตกน้าฝนหยาดเดียวไม่ทำให้ภาชนะเต็มก็จริงแต่เมื่อฝนตกอยู่บ่อยภาชนะนั้นย่อมเต็มได้แน่แน่ั้นใดผู้ทาบาปอยู่ แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมทํากองบาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยตามลําดับได้ฉะ น, นั้นเหมือนกันตอนที่สามสิบพญานาคผวกมิจฉาทิฐิเรื่องพญานาคทั้งหลายที่นํามาเล่านี้ดูจะเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นแต่ความจริงมีพวกพญานาคที่ท่านพบเป็นพวกมิฉาทิฐิไม่เคารพเลื่อมใสในพระกรรมฐานก็มีเหมือนกัน เช่นครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านติดตามพระอาจารย์มั่นไปเวกแถบฝังไม่น้ำโขงเช่นกันขณะนั้นท่านได้พาคณะไปพักอยู่ในเขตป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งบริเวณใกล้เคียงนั้นมีบึงน้ำกว้างใหญ่เตียมตลิ่งใสสะอาดระหว่างที่หมู่เพื่อนเตรียมส่สงน้ำและตักน้ำมาสำหรับดื่มกินและใช้สอยแต่หลวงปู่ก็สังเกตว่าบริเวณโดยรอบบึงนั้นส ง, งัดเงียบเกินไป ไม่มีนกกาก็อยู่บนต้นไม้ใกล้เคียงหรือรอยเท้าของสัตว์จินใดก็ไม่มีโดยรอบบึงน้ำอันดูเป็นการปิดวิสัยเพราะหนองน้ำหรือบึงใหญ่ย่อมเป็นที่เพิ่งพิงอาศัยของสัมสัตว์มีชีวิตจะใช้น้ำเพื่ออับกินทั้งนั้นท่านสงสัยว่าจะเป็นที่ไม่ชอบมาพากลจึงพิ จ, จารณาดูก็รู้ว่าเป็นที่ซึ่งมีพยานาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ หมาพดพิษใส่ในน้ำนั้นไว้หากท่านเนรลงอาบหรือปักน้ำมาใช้สอยดื่มกินก็คงจะเกิดอันตรายเจ็บไข้ได้ป่วยให้เป็นที่ยากลำบากท่านจึงรีบห้ามหมู่เพื่อนไว้บอกสั้นๆว่าอย่าเพิ่งใช้น้ำเหล่านี้และท่านก็รีบไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นถึงข้อที่ควรที่ท่านสงสัยและได้พิจารณาดูท่านพระอาจารย์มั่น ก็ยืนยันความรู้เห็นของลุงปู่ว่าถูกต้องแล้วและว่าท่านก็พิจารณาอยู่แล้วรู้ว่าพญานาพวกนี้ไม่มีความเคารพเลื่อมใสในศาสนาเห็นพวกเราเป็นศัตรูเข้าใจว่าที่พวกเรามาณที่นี้จะมาลองดีแข่งกับพวกเขาและขับไล่ให้พวกเขาต้องระเหยด้วยร่อนจากทิ่นที่อยู่เขาจึงได้แกล้งพ่นปีตใส่ในน้ําไว้ ดูทีหรือพวกเราจะทําประการใดหากประมาบมาใช้น้าอาบกินเข้าก็คงจะเก็บไข้ต้องหนีจากไปท่านชมเชยความรู้เห็นของหลวงปู่มากและสั่งยืนยันมิให้พระไปลงอาบหรือตักน้ําอันนี้พิษนั้นมาดื่มกินหรือใช้สอยท่านว่าเราจะต้องไม่สนใจกับปฏิกิริยาอันไม่ถูกต้องของพญานาคเหล่านั้นให้พวกเรา จเจริญเมตตาแป่ให้เขาในไม่ช้าเขาคงจะต้องละทิฏฐิมานะเป็นแน่แท้เพราะเมตตาธรรมเป็นธรรมอันเยือกเย็นสามารถดับความร้อนรุ่มกระวนกระวายของจิตที่หลงผิดริษยาอาฆาตได้เป็นอย่างดีหมู่เพื่อนทราบความแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเกรงใจหลวงปู่มากขึ้นเพราะนอกเหนือลองลงมาจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็ดูเหมือนว่า หลวงปู่จะเป็นที่พึ่งอาศัยทางรู้เห็นสิ่งลึกลับกายทิพย์เจ ม, มูกะณะได้ดีที่สุดต่างองค์ก็เชื่อฟังคำท่านพระอาจารย์มั่นและหลวงปู่ที่ได้พยายามย่างกลายไปใกล้บึงน้ำนั้นแต่ประการใดการอาบการตักน้ำมาใช้ดื่มกินใช้สอยก็พยายามไปหาจากหนองน้ำแห่งอื่นแม้จะไม่ค่อยสะดวกด้วยอยู่ห่างไกลกว่าและไม่ค่อยสะดวกรื่นมเริเท่า แต่ก็แน่ใจในความปลอดภัยกว่าหลายวันต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นจึงอนุญาตให้พระรงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงดังกล่าวได้คงจะไม่จำเป็นต้องกล่าวแต่อย่างใดว่าการนี้เป็นภายหลังจากที่ท่านได้ทรมานพยานาคเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วให้ยอมตนขอรถท่านและรับนับถือพระไตสันนคมทราบกันในภายหลังว่าหลังจากเมื่อพญานาค ยอมตนสิโรราบต่อท่านแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ถามเรื่องการพดนพิษใส่ในบึงน้ำท่านตักเตือนเรียบๆว่าหากมีพระเนนหรือผู้ใดมาใช้น้ำพิษนี้แล้วเกิดภัยอันตรายขึ้นก็จะเป็นบาป ก, กรรมอย่างหนักแก่พญานาคโดยแท้โดยเฉพาะโทษการกล่าวล่วงเกินท่านผู้มีศีลบริจุ์นั้นคงจะไม่ต่ากว่าการลงสู่กุนรกหากแย่งบาปแย่กรร ก็ควรจะเร่งไปถอนพิษให้น้ำเป็นบ้ามบริสุทธิ์เป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมาดังเดิมพญานาคทั้งประหลาดใจและตกใจประหลาดใจที่ว่าตนแอบทำแต่ท่านพระอาจารย์มั่นและลุงปู่ต่างรู้รู้ได้ด้วยอำนาจความรู้ภายในตกใจด้วยกลัวโทษทันในการกล่าวร่วงเกินพระอริยเจ้าจึงได้กราบกรานขอขามาโทษยอมรับผิด แล้วรีบไปถอนพิเดยเร็วท่านละว่าแต่นั้นมาพญานาคก็เกิดหมดที่ปีมานะมีความเคารพเรื่มใสศรัทธานในพระศาสนาถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นประวารณาตัวรับใช้และถวายอารกขาท่านและหลวงปู่ตลอดจนพระเนรทั้งปวงเป็นอย่างดีและเมื่อถึงโอกาสอันควรก็พา ก, กันมาฟังธรรมะเสมอไม่ได้ขาดตอนที่สาสิบเอ็ด เรื่องพญานาคอีกครั้งเรื่องนี้เป็นความจริงควรจะบันทึกรวมว่าในตอนที่ท่านวิเวกอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่โดยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคจึงได้นํำมาแยกบันทึกเป็นเรื่องรวมต่อเนื่องกันไปกับชุดเกี่ยวกับพญานาคเพื่อความสะดวกในการเข้าใจพญา น, นันเป็นเวลาหลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆออกมาตษาแล้วท่านเบตเทีย ว, วิเวกในเขตอำเภอแม่ริม กับหลวงปู่ขาวนาอนาลโยบังเอิญได้พบกับท่านพระอาจารย์เบียนเวรราโพซึ่งเคยเที่ยววิเวกับท่านและได้เคยจำปัษากับท่านมาแล้วณสำนักสงฆ์แม่หนองหารในปีพุทธศักราช2485ท่านจึงชวนกันไปวิเวกตามเขาและถ้ำซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพอบินทบาทถึงได้โดยมีพระอีกองค์หนึ่งร่วมไปด้วยรวมเป็นสี่องค์ด้วยกัน เขาลูกนั้นมีถ้ำอยู่สองถ้ำแต่เป็นถ้ำที่อยู่สูงจากเชิงเขาขึ้นไปประมาณสิบห้าวาทางขึ้นชันมากเวลาขึ้นไปต้องเอามือเหนียวโหนต้นไม้และเถาวัลย์ขึ้นไปพระนุ่มสององค์คือท่านพระอาจา ร, รย์เหรียญและพระอีกรูปหนึ่งไปอยู่ในถ้ำส่วนหลวงปู่ขาวและท่านอยู่บนสันเขาชั้นล่างต่ำลงมาจากถ้ำหน่อยหนึ่งท่านเล่าว่า การภาวนาดีมากอากาศดีและสงดไม่มีอะไรรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขาลูกนั้นเมื่อทราบข่าวว่ามีพระชุดงกรรมฐ า, านมาพักบนเขาและถ้ำต่างก็พากันดีใจชักชวนกันมาทําแคร่ที่พักอาศัยให้สำหรับน้ำใช้น้ำฉันก็ช่วยกันหาไม้ไผ่ขนาดลำใหญ่หน่อยมาผ่ากลางเอาข้อออกให้เป็นลำรางต่อกัน บนเขาลูกใหญ่นั้นมีน้ำผูผดไหลออกมาตรงข้างเขาชาวบ้านก็เอาลำรางไม้ไายนั้นไปรองรับน้ำให้ไหลามาไว้ที่หัวเขาและที่ถ้าซึ่งพระอยู่จัดเป็นประบบประปราธรรมชาติทำให้มีความสะดวกไม่ต้องกังวลในการลงเขาขึ้นเขาไปลํลำเลียงน้าใช้น้ำฉันน้ำนั้นไหลมาแต่เขาซึ่งอุดมด้วยหินปูนจึงต้องนา มาต้มให้เดือดเสียก่อนปล่อยให้เย็นจนตกตะกอนแล้วจึงกรองเอามาฉันอยู่มาวันหนึ่งระบบประปาธรรมชาติเกิดขัดข้องไม่มีน้ําไหลมาตามรางน้ําไต่สวนได้ความว่ารางน้ําไม้ไผ่ที่ชาวบ้านต่อมาให้อย่างที่พักนั้นถูกฝันเสียหายหลายจุดทั้งนี้เพราะไม่กี่วันก่อนหน้านั้นพระที่อยู่ในหมู่บ้านเขาพากันเสียอหมดพร้อมทั้งคนในหมู่บ้าน เจ็บป่วยก็หลายคนกำนันในตำบลไปปรึกษากับหมอผีหมอผีบอกว่าเป็นเพราะมีพระกรรมฐานมาอยู่บนเขาและในถ้ำผีที่อยู่ในถ้ำกลัวบารมีพระกรรมฐานอยู่ในถ้ำมไม่ได้จึงมารบกวนชาวบ้านให้เจ็บป่วยถ้าจะให้ชาวบ้านหายหเจ็บป่วยต้องไล่พระกรรมฐานไปกำนันตำบล น, นั้นจึงประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้าน ที่หมู่บ้านของกำนันมาทำบุญตักบาตรวมทั้งน้ำฉันน้ำใช้ก็ไม่ให้ตัดขาดหมดเป็นการบีบบังคับไล่ทางอ้อมให้พระกรรมฐ า, านหนีไปอย่างไรก็ดีไม่ได้มีผู้เชื่อถือกำนันนั้นทุกคนไปวันแรกคนในหมู่บ้านของตำบล น, นั้นไม่กล้าใส่บาทแต่ท่านละคนาก็ไปบิณฑบาตจากหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงส่วนน้ำใช้นั้นพวกญาติโยมที่เลื่อมใส ก็ผากกันไปซ่อมแซมให้ใช้ได้ดางเดิมและคอยจัดเวร ย, ยามดูแลให้ไม่นานพวกที่หลงผิดก็รู้สึกตัวว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นธรรมดาของมนุษย์และเมื่อท่านสอนให้ชาวบ้านยึดมั่นในพระไตรศนกคมอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านก็หายขาดทำให้่ากันเริ่มใส่ศรัทธาดังเดิมและดูเหมือนกลับจะมากขึ้นกว่าเดิมอีกท่านคงพำนักอยู่ที่สันเขาต่อไปอีกระยะหนึ่ง หลวงปู่ขาวแยกขึ้นไปวิเวกบนดอยแมว้วกับท่านพระอาจารย์เหรียญหลวงปู่ขาวอยู่บนดอยแม้วได้สิบกว่าวันก็กลับลงมาพักที่ฉันเข่าดังเดิมด้วยไม่ค่อยสบายไม่ถูกกับอากาศระหว่างที่ท่านอยู่ในฉันเข่านั้นได้มองเห็นภูเขาสูงลูกหนึ่งที่อยู่สูงกว่าดอยแมวที่หลวงปู่ขาวและท่านพระอาจารย์เหรียญไปพามลักมาท่านคิดว่าบนหลังเขาลูกนี้ คงจะวิเวกดีควรแกการบาเพ็ญความเพียรภาวนาเมื่อท่านพระอาจารย์เหรียญลงมาจากดอยแมวแล้วท่านยึงชวนกลับขึ้นเขาไปใหม่โดยอธิบายว่าจุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่ดอยแมวแต่เป็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่สูงกว่าท่านและพระอาจารย์เหรียญเดินทางไปเพียงสององค์โดยไม่มีญาติโยมขึ้นไปด้วยมีแต่คนรับจ้างแบกบบริการเพียงสองคนซึ่งตกลงกันว่า ากเป็นผู้จัดทำที่พักบนยอดเขาให้ด้วยการเดินทางนั้นออกเดินทางไปตั้งแต่เชา้าจนครบค่ำจึงถึงเชิงภูเขาลูกที่มั่นหมายไว้นั้นพบชาวบ้านป่าปลูกกระท่อมน้อยพำนักอยู่ครอบครัวหนึ่งเขารู้ว่าท่านจะขึ้นไปพักภาวนาบนหลังเขาลูกนั้นก็ร้องเสียงหลงห้ามว่าอย่าไปเลยท่านผีที่เขาลูกนี้ดูมาก ท่านถามเขาว่ารู้ได้อย่างไรว่าผีดุเขาตอบว่ารู้สิท่านไม่รู้ได้อย่างไรก็เมื่อไม่กี่วันมานี้มีพวกผู้ชายแมวมาเที่ยวเขาลูกนี้กันสามคนกลับไปได้คนเดียวทำไมกลับไปคนเดียวอ้าวก็ผีมันทำเอาตายไปเสียสองคนนะสิท่านช่างถามได้ก็ผมบอกแล้วว่าผีดุผีดุท่านก็ไม่เชื่อเขาบน แล้วรู้ไหมท่านแม้แต่แมวครที่เหลือนั้นมันต้องวิ่งมาหาผมขอให้ผมไปพูดกับผีให้ผมไปเจรจากับผีให้มันจึงรอดตัวกลับไปได้ไม่เช่นนั้นมันก็คงกลายเป็นผีเฝ้าเขาลูกนี้ต่อไปอย่างเพื่อนของมันสองคนนั่นแหละท่านถามว่าพวกแมวสามคนไปทำอย่างไรจึงเกิดวิปริตขึ้นเขาอธิบายว่าแมวเหล่านั้น เล่นสนุกคึกขนองกันมากส่งเสียงล้อเลียงกันเออะแล้วยังไม่พอใจผ่ากกันไปงัดก้อนหินใหญ่ให้กลิ้งตกลงมาแข่งกันว่าหินของใครจะกลิ้งตกลงไปไกลกว่ากันเมื่อก้อนหินตกลงไปในเหวลึกข้างล่างเสียงดังสะท้อนกล้องกลับไปกลับมาในหุบเขาดังสะเทือนเลื่อนลันพระตกมือเฮาร้องเอิกกเกริกแสดงความสนุกสนาน เหตุปโรกันทั้งเขาท่านพระอาจารย์เหรียญช่วยท่านชี้แจงว่าก็เพราะเหตุนั้นน่ะสิจึงเกิดความวิบัติกันเนื่องจากพวกพูดผีปีศาจที่อาศัยอยู่ตามที่นั้นเขาชอบความสงบใครไปทําความวุ่นวายเขาไม่ชอบถือว่าไม่เกรงใจเขาไปล่วงเกินเขาเขาจึงทารายเอาพวกอาตมาเป็นพระตั้งใจมาอยู่อย่างสงบเพื่อพักภาวนาหาความสงบทางจิตใจ ไม่ได้มาทําความวุ่นวายสิงคลีอะไรกันคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเขามีสีหน um, ้าไม่สบายใจท่านก็เลยพูดจับพยอกว่าก็โยมรู้จักผีพูดกับผีได้เจรจากับผีได้อยัางได้ช่วยพูดให้แมวกนนั้นมาแล้วไงล่ะก็ช่วยพูดให้หน่อยสิเขาหัวเราะอๆโทษท่านอย่ารอผมเลยผมเตือนท่านห้ามท่านก็เพราะกลัว เรื่องจะสำร่อยเท่านั้นท่านเห็นเขากังวลมากจึงได้ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเราไป อ, อยู่ด้วยความสงบเมตตาจะได้เป็นกุศลแก่พวกผีที่อยู่บริเวณนี้และเมื่อโยมพาไปด้วยกุศลผลบุญก็จะเกิดแก่โยมผู้พาไปเช่นกันเป็นบุญกุศลทั้งผู้อยู่ทั้งผู้พาอย่าได้วิตกไปเลยเมื่อชาวบ้านผู้นั้นเห็นท่านไม่กลัว ก็เลยผ่านนำทางขึ้นไปสังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยเต็มใจนะักมีทีท่าวันวาดอยู่ด้วยความเกรงใจก็จำใจต้องนำไปกว่าจะไปถึงบนยอดหลังเขาก็เกือบตะวันพรบไม่มีเวลาจะทำเสนาชนะแต่อย่างใดใช้ไบไม้ปูรองนอนบนพื้นดินไปชั่วคราวเช้ารุ่งขึ้นท่านพระอาจารย์เหรียญ น, นำทางไปบินธบาตอย่างบ้านแมวอ e. ีดอยหนึ่ง ซิ่งท่านเคยมาพำนักอยู่กับหลวงปู่ขาวคราวก่อนนั้นท่านพระอาจารย์เหรียญลอกถวายว่าเมื่อแรกมาถึงดอยแมวกับหลวงปู่ขาวนั้นครั้งแรกต้องไปแนะนําให้เขารู้จักว่าเป็นนักบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาบอกท่านซื่อว่าพวกเขาไม่รู้จักพระเขาไม่เคยเห็นพระมาก่อนสักองค์เลยการใส่บาตรเขาก็ไม่รู้จักญาติโยมที่ไปกับท่านในครั้งนั้น ต้องแนะนำให้วันแรกเขาใส่บาตรแต่ข้าววันต่อมาก็เอาเนื้อหมูที่ลวกน้ำเกลือกันเน่าที่เก็บไว้มาใส่บาตรให้หลวงปู่ขาวและท่านพระอาจารย์เหรียญต้องชี้ให้โยมที่ติดตามไปรับแทนไว้ไม่ให้ใส่ในบาตรเมื่อบิณฑบาตแล้วโยมผู้ติดตามต้องข อ, อยืมหม้อคระทะขนาดเล็กของเขาไปสู่ที่พักโยมจัดการทาให้ให้สุก แล้วจึงถวายให้ฉันได้วันต่อไปชาวบ้านที่ติดตามไปจากข้างล่างชี้แจงเขาพวกชาวดอยแมวจึงรู้จักทำอาหารสุกใส่บาตรให้ได้หลวงปู่ไปบินทบายกับท่านพระอาจารย์เรียญคราวนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะเขาเคยใส่บาตรหลวงปู่ขาวและท่านพระอาจารย์เรียนแล้วและเวลาก็เพิ่งผ่านไปไม่นานด้วยเขาจําท่านพระอาจารย์เรียนได้ดีถามถึงหลวงปู่ขาว เมื่อรู้ว่าหลังจากที่ท่านจากเข้ามาหลวงปู่ขาวไม่ค่อยสบายเขาก็แสดงความเสียใจบ่นว่าครั้งนี้ทูตเจ้าน่าจะกลับมาพักอย่างที่พักที่เพิ่งสร้างเตรียมไว้ในล่าวก่อนมาอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็จากไปเสียแล้วท่านเลาว่าศรัทธาของพวกชาวแมวดีมากแม้เขาจะเพิ่งรู้จักพระในพระพุทธศาสนาเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง แต่เขาก็ประวารณารับใช้ทุกอย่างท่านชี้แจงว่าเพื่อต้องการความสงัดจึงได้ขึ้นไปบำเพ็ญเพียนภาวนาบนยอดเขาลูกโนนแต่ก็ยังขอฝากปากฝากท้องกับโยมในดอยนี้ระยะทางจากยอดดอยที่พำนักบำเพ็ญภาวนากับดอยแมวที่บินทบาทนั้นระยะทางไกลามากประมาณ4กิโเมตรแถมเป็นทางขึ้นเขาลงเขา บินทบาทเสร็จกว่าจะกลับถึงที่พักก็สายมากโยมสองคนที่หากของไปส่งก็ช่วยทํากระท่อมให้องค์ละหลังเขาตั้งใจทํากันมากไม่ใช่ว่ารับจ้างมาแล้วก็สักแต่ว่าทําทําให้เสร็จไปเขาประดิษฐ์ประดอยทําให้เป็นอย่างดีจนสามวันจึงเสร็จแล้วก็ลากลับบ้านไปเหลือแต่พระสององค์ทําประโยคความเพียรบนยอดเขาเพียงสององค์คืนหนึ่ง ท่านภาวนาเสร็จแล้วก็จำวัดอยู่ในที่ของท่านพอเคลิ้มไปเท่านั้นก็ปรากฏว่ามีอุบาสกนุ่งขาวคนหนึ่งมากราบบอกท่านว่าคืนนี้จะมีเสือใหญ่มาขอท่านอย่าได้ประมาทพอทราบอย่างนั้นท่านก็รีบลุกขึ้นนั่งสมาธิคอยฟังอยู่ว่ามันจะมาอย่างไรกันนั่งอยู่ตั้งนานไม่เห็นเสือมาสักทีก็จำวัดต่อไปตื่นขึ้นตีสี่ นั่งทําสมาธิต่อรอฟังอยู่ก็ไม่เห็นวี่แววของเสือมาตามคำเตือนในมิติตอนเช้าท่านพระอาจารย์เหรียญมาปฏิบัติท่านแล้วก็เรียนขอโอกาสถามท่านว่าเมื่อคือนนี้ท่านอาจารย์ได้เห็นอะไรบ้างครั้นท่าเล่าให้ฟังท่านพระอาจารย์เหรียญก็เรียนบ้างว่าตัวท่านเองเมื่อคือนนั้นนั่งสมาธิก็เกิดความรู้ ขึ้นในจิตเหมือนกันว่าระวังอย่าประมาทคืนนี้เสือใหญ่จะมาท่านก็คิดว่าได้ถวายชีวิตบูชาพารตนตรัยแล้วจึงมาอยู่ในที่เช่นี้หากกำเวรนีก็ขอรับกรรมไปถ้าหากกรำเวรไม่มีก็ขอให้ปลอดภัยท่านนั่งสมาธิรออยู่เช่นเดียวกับถุงปูเหมือนกันสงบจิตรอฟังอยู่ว่าเสือมันจะมาทาอย่างไรแต่ก็ไม่เห็นมีอะไร ผิดแปลกเกิดขึ้นจะว่านิมิตหลอกเล่นก็ทำไมมาเกิดตรงกันเพื่อพิสูจน์ความจริงท่านจริงพา ก, กันไปสำรวจดูรอบบริเวณที่พกักซึ่งเป็นป่าแยกแฝกล้อมรอบอยู่ทันใดนั้นก็เห็นรอยเสือคุ้ยดินเป็นขุ่มๆเป็นระยะระยะไปในป่าแยกแฝกนั้นรอยเท้าก็ดีรอยคุ้ยดินก็ดีเป็นกลุ่มใหญ่มาก แสดงถึงขนาดของเจ้าของรอยทั้งหมดเป็นอย่างดีท่านว่าเสือคงจะมานั่งเฝ้าท่านทั้งสองอยู่อย่างเงียบๆตลอดคืนโดยไม่กระโตกกระตากหรือทำอะไรเลยครั้นท่านคลองผ้าไปบินทบาศพอเดินตามทางก็เห็นรอยเสือใหญ่ปรากฏนำนาคไปเรื่อยๆลงเขาไปถึงลำธารปรากฏว่าน้ำในลำธารตรงที่รอยมาหยุดอยู่นั้นยังคุ้นคุ้อยู่ แสดงว่ามันล่วงหน้ามาโดยเพิ่งข้ามน้ำไปไม่นานนักท่านพระอาจารย์เรียนบนว่ามันข้ามน้ำไปไม่นานอาจจะพบการระหว่างทางนี้ก็ได้อย่างไรก็ดีเมื่อท่านเดินไปกันถึงป่าเหล่าแก่แห่งหนึ่ง <c oughs> เห็นรอยเสือแวะเข้าไปในป่านั้นจึงออกปากลากันว่าเจ้าจงไปเป็นสุขเถิดอยากกลับไปหาเราอีกเน้อท่านว่าแต่วันนั้นมา ก็ไม่มีวี่แววของเสืออีกเลยทันละว่าฝังเขารอยสูงแห่งนั้นเป็นที่ภาวนาได้ดีมากมีพวกกายทิพย์มากาาราบคารวะท่านมากบ้างก็มาขอกราบฟังธรรมวันหนึ่งภาวนาไปจิตส ง, งบลงเกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่ทางจงกรมขณะนั้นปรากฏเห็นพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่หัวทางจงกรมนั้นท่านถามพญานาคว่า มาจากไหนเขากราบเรียนท่านว่าเจ้าพระเจ้าอยู่ที่เขาลูกนี้เองแต่อยู่ที่เชิงเขาแล้วก็เรียนชี้แจงต่อไปว่าในเขาลูกนี้มีลำธารลอดมาจากใกล้ภูเขาลำธาร น, นี้ไหลผ่านเชิงเขาแล้วไหลออกไปสู่ทุ่งนาของชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างโน้นพวกพระกูเจ้าเดินทางมาก็คงได้ผ่านข้ามลำธาร น, น้านี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือท่านรับคำ แล้วพญานาค ก, ก็บอกต่อไปว่ารำทางนั่นแหละเป็นทางเดินของข้าพเจ้าท่านถามถึงชื่อของพญานาคเขาก็เรียนท่านว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาท่ลาวา่าพญานาคตัวนี้เมื่อโผล่หัวขึ้นที่ทางจงกลมแล้วก็เอาหางพาดเขาอีกลูกหนึ่งให้ท่านดูรู้สึกว่าตัวใหญ่ยาว ม, มากท่านบอกว่าพญานาคตัวนี้มาแสดงตัวให้ท่านดู ในลักษณะของพญานาคเต็มตัวมีหงอนสีแดงและมีแผงเหมือนกับคอมา้าเช่นนั้นลำตัวใหยาวเกล็ดเป็นสีดำามันเลื่อมพญานาคกราบเรียนท่านว่าเขามีความสงบเย็นใจมากที่ได้มีพระกรรมฐานผู้ประเริดอย่างพวกท่านมาภาวนาแผ่ความสุขสงบเมตตาให้แก่ปวงจัตโลกเสียงที่พวกท่านสวดมนต์และเจริญเมตตานั้น ทำให้เย็นอกเย็นใจมีแต่ความสุขความสงบวันนี้ปดบรวนทนไม่ได้จึงขอขึ้นมากราบชมบารมีเพราะพระพ บ, บรมศาสดารับสั่งไว้ว่าจมนานันชาดัศนังเอตัมมังคลมุตตมังการได้เห็นพระจำนะผู้ประเริดเป็นมงคลอันสูงสุดพยนาคขึ้นมาปรากฏตัวกราบแสดงความคาระวะและชื่นชม ท่านระยะหนึ่งแล้วก็ลาจากไปท่านว่าการลาของพญานาคครั้งนี้ไม่ใช่หายตัวไปหรือห่อลอยไปแต่เป็นการจมลงไปในทางจงกลมนั่นเองเมื่อท่านปรารภนิมิตนี้ให้ท่านพระจาร้าเบลนฟังและถามว่ามีนิมิตพญานาคไปเยี่ยมท่านด้วยหรือไม่าะเป็นปกติที่ไปอยู่ในสถานที่ส ง, งัดแปลกแๆเช่นนี้ท่านผู้อยู่ในวงปฏิบัติด้วยกัน ก็มักจะคุยสอบทานในมิตรภาวนากันอยู่เป็นปกติ